รัฐธรรมบทภาคที่สามปุพภว บ, บรรนานาเสนอเรื่องที่สามเรื่องพระเจ้าวิถุษภะตอนพันธุลเเษนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตรยูมาวันหนึ่งพวกมนุษย์แพ้ความ ด้วยคดีโกงในการวินิจฉัยเห็นพันธุละกาลังเดินมาร่ําร้องกันใหญ่แจ้งการกระทําคดีโกงของพวกอํามภาผู้วินิจฉัยแจ่พันธุลนั้นพันธุละไปสู่โรงวินิจฉัยพิจารณาคดีนั้นแล้วได้ทําผู้เป็นเจ้าของนั้นแลให้เป็นเจ้าของมหาชนให้การสาธุการเป็นไปด้วยเสียงอันดัง พระราชาทรงสดับเสียงนั้นตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสมมัสให้ถอดพวกอมตะเหล่านั้นแม้ทั้งหมดทรงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุละเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพันธุละก็วินิจฉัยโดยถูกต้องจำเดิมตั้งแต่วันนั้นมาพวกอมาตะผู้วินิจฉัยรุ่นเก่าไม่ได้ค่าจ้าง มีรายได้น้อยยุยงในราชกูลว่าพันธุละปรารถนาเป็นพระราชาพระราชาทรงเชื่อคำของอามาดเหล่านั้นมิได้อาจจะทรงคมพระหาหูถัยได้ทรงดำริอีกว่าเมื่อพันธุละถูกฆ่าตายในที่นี้นั่นแหลความคอรหาก็จะเกิดแก่เราทรงรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้โจมตี ปัด จ, จันตน์ครแล้วรับสั่งให้หาพันธุลามาส่งส่งไปด้วยพระดำรัสว่าทราบว่าจังหวัดปลายแดนโจรกาเริบขึ้นท่านพร้อมทั้งบุตรของท่านจงไปจับโจรมาแล้วส่งส่งทหารผู้ใหญ่ซึ่งสามารถหล่าอื่นไปกับพันธุลาเสนาบดีนั้นด้วยพระดำรัสว่าพวกท่าน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 ลำดับนั้นทหารเหล่านั้นก็ตัดศรีรษะพันธุลักนาบดีพร้อมกับบุตรทั้งหมดในที่ใกล้พระนครวันนั้นนางมริกาเทวีนิมนต์พระอกราสาวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุห0 0อรูปครั้นในเวลาเช้า พวกคนได้นำหนังสือมาให้นางเนื้อความว่าโจนตัดศีรษะสามีพร้อมทั้งบุตรของท่านนางรู้เรื่องแล้วไม่บอกใครๆพับหนังสือใส่ไว้ในพกผ้าอังคาดภิกษุสงฆ์เรื่อยไปขณะนั้นสาวใช้ของนางถวายพัดแย่ภิกษุแล้วนำถาดเนยใสมาทําถาดแตกตรงหน้าพระเถระ พระธรรมเจนาบดีกล่าวว่าสิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วใครๆไม่ควรชิดนางมริการนั้นนำเอานังสือออกจากพกผ้าเรียนท่านว่าเขานำนังสือนี้มาให้ใจดิฉันเนื้อความว่าพวกโจรตัดศีรษะบิดาพร้อมทั้งบุตรสสสองคนดิฉัน แม้สะดับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่คิดเมื่อเพียงทาบในใสแตกดิฉันจะคิดอย่างไรเล่าเจ้าข้าพระธรรมสณนาบดีกล่าวคำเป็นต้นว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครใครก็รู้ไม่ได้ทั้งฝืดเคืองทั้งน้อยและชีวิตนั้นซ้ำประกอบด้วยทุกข์ แสดงทําเสร็จแล้วลูกจากอาสนะได้ไปวิหารแล้วฝ่ายนางมลิกาให้เรียกบุตรสะายทั้ง32คนมาแล้วสั่งสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดได้รับผลกรรมในชาติก่อนของตนเธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าปริเวทนาการอย่าทําการผูกใจแค้นเบื้องบนพระราชาอย่าระบรุษของพระราชา ฟังถ้อยคำนั้นแล้วกราบทูลความที่ชนเหล่านั้นไม่มีโทษแด่พระราชาพระราชาทรงถึงความสลดพระฤทยัยเสด็จไปนิเวศของนางมาริกานั้นให้นางมาริกาและหญิงสะใภยของนางอดโทษแล้วได้พระราชทานพรแก่นางมาริกานางกราบทูลว่าพรเป็นพร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 กลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิดพระราชาทรงรับแล้วนั่งมลิกาทรงยิงสะพ้ยสามสิบสองคนไปสู่ตระกูลของตนของตนด้วยตนเองและฝ่ายนางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุศินารานครฝ่ายพระราชาได้พระัราชทานตำแหน่งเสนาบดีแกทีขรายยนาะผู้ซึ่งเป็นหลานพันธุลัเสนาบดี ก็ทีขารายณะนั้นเที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาโดยคิดอยู่ว่าลุงของเราถูกพระราชาองค์นี้ให้ตายแล้วข่าวว่าจำเดิมแต่การที่พันธุละผู้ไม่มีความผิดถูกฆ่าแล้วพระราชาทรงมีวิปติสารไม่ได้รับความสบายพระทยัยไม่ได้เสวยความสุขในราชสมบัติเลยครังนั้นพระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่อเมทัลุปะของพวกเจ้าสากยะประทับอยู่พระราชาเสด็จไปที่นั้นแล้วทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลาจากพระอารามแล้วเสด็จไปวิหารด้วยบริวารเป็นอันมากด้วยทรงดำริว่าจากถวายบังคมพระศาสดาพระราชทานเครื่องราชกกุธพันธ์ทั้งห้าแก่ทีฆากา ร, รายนาแล้ว พระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีพึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยทานองแห่งธรรมะเจตียสูรเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีแล้วทีฆาการายนณะจึงถือเอาเครื่องราช ก, กุธภันเหล่านั้นทําวิถูธพะให้เป็นพระราชาเหลือม้าไว้ตัวหนึ่งและหญิงผู้เป็นพนัก ง, งานอุปถัคนหนึ่งแล้วได้กลับไปเมืองสาวัตถี พระราชาตรัสพิยกถากับพระศาสดาแล้วเสด็จออกไม่ทรงเห็นเสนาจึงตรัสถามหญิงนั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงดําริว่าเราจะพาหลานไปจับวิถูถภาดังนี้แล้วเสด็จไปกรุงราชกฤชเสด็จถึงพระนครเมื่อประตูพระนคร อ, อันเขาปิดแล้วในเวลาวิการบรรทมแล้วในศาลาแห่งหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อย เพราะลมและแดดได้สวรรคตในที่นั้นนั่นเองในเวลากลางคืนเมื่อราตรีสว่างแล้วประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนนั้นคร่ำครวญอยู่ว่าข้าแต่สมุติเทพผู้จอมเห็นชาวโกศลพระองไม่มีที่พึ่งแล้วยึงกราบทูลแด่พระราชาเท้าถือทรงรับสั่งให้ทํสศริรจิตของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่ เจ้าวิถุทพะได้ราชสมบัติแล้วสรรึกถึงเว น, นั้นทรงดำริว่าเราจะยังเจ้าสากยะแม้ทั้งหมดให้ตายดังนี้แล้วจึงเสด็จออกไปด้วยเสนาใหญ่ในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่พระญาติแล้วทรงดำริว่า เราควรกระทำญาติสังหะในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินธบาตเสด็จกลับจากบินธบาตแล้วทรงสำเร็จสีหาสยยาในพระคันธกุฎีในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงา ป, ปโปรมใกล้เมืองกระบิลพัทแต่นั้นไปมีต้นทราเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในราชสีมา ของพระเจ้าวิถูถภาพระเจ้าวิถูถพะทอดพระเนห์เห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถาวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาปลุกปลงนี้ในเวลาร้อนเห็นป่านนี้ขอพระองค์โปรโดประทับนั่งที่โคนใส่มีเงาอันสนิทนั่นเถิดพระเจ้าข้า เมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าช่างเถิดมหาบอพิษชื่อว่าเงาของหมู่พระญาตเป็นของเย็นจึงทรงดำริว่าพระศาสดาจักเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พระญาตจึงถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับไปสู่มังสาวัตถีนั่นแหลแม้พระศาสดาก็สรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชา ทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าสังกยะเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองทอดพระเนตรเห็นพระาศาสดาในที่นั้นนั่นแหลก็เสด็จกลับอีกเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามทอดพระเนตรเห็นพระาศาสดาในที่นั้นแหลก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระเจ้าวิถูทภานั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สพระาศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของเจ้าสังกยะทั้งหลาย ทรงทราบความที่กรรมอันลามกคือการโปรยยาพิษในแม่น้ำของเจ้าสากยะเหล่านั้นเป็นกรรมอันใครๆห้ามไม่ได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สพระเจ้าวิถุธะพะเสด็จออกไปแล้วพร้อมด้วยผลใหญ่ด้วยทรงดำริว่าเราจะฆ่าพวกเจ้าสากยะ ก็ประหยัดทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะชื่อว่าไม่ฆ่าสัตว์แม้จะตายอยู่ก็ไม่พปรงชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นเจ้าสากยาเหล่านั้นคิดว่าพวกเราฝึกหัดมือแล้วมีเครื่องผูกสอดอันทาแล้วหัดปลือมากแต่พวกเราไม่อาจปร่งสัตว์อื่นจากชีวิตได้เลยพวกเราจักแสดงําของตนแล้วให้หนีไป เจ้าสากยะาเหล่านั้นทรงมีเครื่องผูกสอดอันทำแล้วจึงเสด็จออกเริ่มการยุดลูกศรที่เจ้าสากยะาเหล่านั้นยิงไปตามระหว่างระหว่างพวกบุุษของพระเจ้าวิถูถภาออกไปโดยช่องโลและช่องหงูเป็นต้นพระเจ้าวิถูถภาทอาพระเนตเเห็นจึงตรัสว่าพนายพวกเจ้าสากยะย่อมตรัสว่าพวกเรา เป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์มิใช่หรือก็เมื่อเช่นนั้นชนในพวกเจ้าสากยะจึงยิ่งบุุษของเราให้ชิบหายเล่าลำดับนั้นบุุษคนหนึ่งกราบทูลพระเจ้าวิถุตภะนั้นว่าข้าแต่เจ้าพระองค์ตรวจสอบดูแล้วหรือพระเจ้าวิถุตภะตรัสว่าพวกเจ้าสากยะยังบุุษของเราให้ชิบหายบุุษคนหนึ่งทูลว่าบุษรไร่ของพระองค์ ชื่อว่าตายแล้วย่อมไม่มีขอเชิญพระองค์จงรับสั่งให้นับบุรุษเหล่านั้นเถอะพระเจ้าวิทูธพะเมื่อรับสั่งให้นับดูไม่ทรงเห็นหมดไปแม้คนหนึ่งเท้าเธอเสด็จกลับมาที่นั้นแล้วตรัสว่าพระนายคนเหล่าใดเหล่าใดบอกว่าพวกเราเป็นเจ้าสางยะท่านทั้งหลายจงฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมดแต่จงให้ชีวิต แต่คนที่ยืนอยู่ในสํานักของเจ้าสากยะมหานามผู้เป็นพระเจ้าตาของเราเจ้าสากยะทั้งหลายไม่เห็นเครื่องถือที่ตนพึงถือเอาบางพวกคาบหญ้าบางพวกถือไม้อ้อยืนอยู่ถูกเขาถามว่าท่านเป็นเจ้าสักยะหรือไม่ใช่เพราะเหตุที่เจ้าสาักยะเหล่านั้นแม้จะตายก็ไม่พูดคําเท็จ พวกที่ยืนคาบหญ้าอยู่แล้วจึงกลาวว่าวว่าไม่ใช่เจ้าสากยะหญ้าพวกที่ยืนถือไม้อ้อก็กล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสากยะไม้อ้อเจ้าสากยะเหล่านั้นและเจ้าสากยะที่ยืนอยู่ในสำนักของเท้ามหานามได้ชีวิตแล้วบันดาเจ้าสากยะเหล่านั้นเจ้าสากยะที่ยืนคาบหญ้าชื่อว่าเจ้าสากยะหญ้า พวกที่ยืนถือไม้อ้อชื่อว่าเจ้าศักยะไม้อ้อพระเจ้าวิถุทภารับสั่งให้ข่าเจ้าสากยะอันเหลือทั้งหลายไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนมอย่างแม่น้ําคือโลหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดานด้วยโลหิตในลําคอของเจ้าสากยะเหล่านั้นศากยะวงอันพระเจ้าวิถุทพเข้าไปตัดแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าวิถูถภะนั้นรับสั่งให้จับเจ้าสากยมหานามเสด็จกลับแล้วในเวลาสเสวยพระกยาหารเช้าทรงนําริว่าเราจักสเสวยอาหารเช้าดังนี้แล้วทรงแวะในที่แห่งหนึ่งเมื่อโภชนะอันบุคคลนําเข้าไปแล้วรับสั่งให้เรียกพระเจ้าตามมาด้วยพระดํารัสว่าเราจักสเสวยร่วมกัน แตกษัตรย์ทั้งหลายถึงจะสละชีวิตก็ไม่ยอมเสวยร่วมกับบุตรนางทาสีเพราะฉะนั้นท้าวมหานามทอดพระเนตรเห็นสะสะหนึ่งจึงตรัสว่าเรามีร่างกายอันสกรปรกพ่อเราจะอาบนา้ําพระเจ้าวิถุตภะตรัสว่าดีละพระเจ้าตาเชิญพระเจ้าตาอาบเถิดท้าวมหานามทรงดำริว่าพระเจ้าวิถุตภะนี้ จากข้าเราผู้ไม่บริโภคร่วมการตายเองของเราเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วจึงทรงสยายผมสอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผมคอดไว้ให้เป็นปมที่ปลายดำลงไปในน้ำด้วยเดชแห่งคุณของเท้ามหานามนั้นนาคพบก็แสดงอาการร้อนพระยานาคใครครวญว่าเรื่องอะไรกันนอง เห็นแล้วจึงมาสู่สำนักของท้าวมหานามนั้นให้ท้าวมหานามประทับบนพังพานและเสด็จไปสู่นาคพบท้าวมหานามนั้นอยู่ในนาคพบนั้นนั่นแลสิ้นสิบสองปีฝ่ายพระเจ้าวิถุทพะประทับนั่งคอยอยู่ด้วยทรงดําริว่าพระเจ้าตาของเราจากมาในบัดนี้เมื่อท้าวมหานามนั้นชักช้าอยู่จึงรับสั่ง ให้คนในสัตว์ทรงตรวจดูแม้ระหว่างบุรุษด้วยแสงประทีปไม่เห็นแล้วก็เสด็จหลีกไปด้วยทรงนำรีว่าพระเจ้าตาจักเสด็จไปแล้วพระเจ้าวิถูทภานั้นเสด็จถึงแม่น้ำอจิรวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งค่ายแล้ว คนบางพวกนอนแล้วที่หาดทรายภายในแม่น้ําบางพวกนอนบนบกในภายนอกแม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายในพวกที่มีบาปกรรำอันไม่ได้กระทําแล้วในก่อนมีอยู่แม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายนอกผู้ที่มีบาปกรรำอันได้กระทําแล้วในการก่อนมีอยู่มดแดงทั้งหลายตั้งขึ้นแล้วในที่ซึ่งคนเหล่านั้นนอนแล้ว ชนเหล่านั้นกล่าวกันว่ า, ม ด, ดวานนวมดแดงตั้งขึ้นแล้วในที่เรานอนแล้วมดแดงตั้งขึ้นแล้วในที่เรานอนแล้วจึงลุกขึ้นพวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้กระทําแล้วลุกขึ้นไปนอนบนบกพวกที่มีบาปกรรมอันกระทําแล้วลงไปนอนเหนือหาดทรายขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้วห้วงน้ําหลากมา อย่างพระเจ้าวิถูธถพะพร้อมด้วยบริษัทให้ถึงสมุดนั้นแลชนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในสมุดนั้นแล้วมหาชนยังกระถาให้ตั้งขึ้นว่าความตายของเจ้าสากยะทั้งหลายไม่สมควรเลยความตายนี่คือพวกเจ้าสากยะอันพระเจ้าวิถูธถพะทุบแล้วทุบแล้วชื่ออย่างนี้ให้ตายจึงสมควร พระาศาสดาสดับถ้อยคํานั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความตายอย่างนี้ไม่สมควรเจ้เจ้าสากย์ยทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าสากยะนั้นได้แล้วก็ควรโดยแท้ด้วยสามารถแห่งกรรมอันหลามกที่เขาทําไว้ในปางก่อนภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เจ้าสากยะทั้งหลายนั้นได้กระทํากรรมอะไรไว้ในปางก่อนพระศาสดาตรัสว่าในปางก่อนพวกเจ้าสากยะนั้นรวมเป็นพวกเดียวกันโปรยยาพิษในแม่น้ําในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายยังกระถาให้ตั้งขึ้นในโรงทางํามว่าพระเจ้าวิถุทภะยังเจ้าสากยะทั้งหลายประมาณเท่านี้ให้ตายแล้วเสด็จมาอยู่ เมื่อมโนรถของตนยังไม่ถึงที่สุดนั่นแหลผพาชนมีประมาณเท่านี้ไปเกิดเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าในมหาสมุทรแล้วพระศ า, าสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกระถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลว่าด้วยกระถาชื่อนี้จึงปรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อมโนรถของสัตว์เหล่านี้ยังไม่ถึงที่สุดนั่นแหลมัจจุราชตัดชีวิตินทรีสีแล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสีประดุดห้วงน้ำใหญ่ท่วมทับชาวบ้านอันหลับฉะนั้นดังนี้แล้วประดพระคาถานี้ว่ามัจจุย่อมพานระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไป เหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับแล้วไปฉชนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบาดพระคาถาว่าเมื่อยาสั ต, ตะมณสังนรังความว่าผู้มีใจคล่องแล้วในอารมณ์อันถึงพร้อมแล้วหรืออันยังไม่ถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาค ตรัสคำอธิบายนี้ไว้ว่านายมาราการเข้าไปสู่สวนดอกไม้คิดว่าจะเก็บดอกไม้ทั้งหลายแล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากในสวนนั้นปรารถนาก่ออื่นๆชื่อว่าทรงใจไปในสวนดอกไม้ทั้งสิน้นหรือคิดว่าเราจะเก็บดอกไม้จากกอนี้แล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากกอนั้นย่อมทรงใจไปในที่อื่นเลือกอยู่ซึ่งกอไม้นั้นนั่นเอง ชื่อว่าย่อมถึงความประมาทฉันใด น, นราบบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันอย่างลงสู่ท้ากลางกามคุณห้าเช่นกันกับสวนดอกไม้ได้รูปอันชอบใจแล้วปรัชนากลิ่นรสโพธิสะพะอันเป็นที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังปรัชนาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปหรือได้รูปนั้นแหละ และยังปราชนาอารมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์นั้นนั่นแหลหรือได้บรรดาอารมมีเสียงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปราชนาอารมอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์อันตนได้แล้วนั้นในสวินญาณกสัพับและอวิญญาณกสัพับมีโครกระบือทาสีธาาสวนบ้านนิคมและชนบทเป็นต้น ก็ในยะนั้นนั่นแหลในบริเวณวิหารและปัจจัยมีบาทและจีวรเป็นต้นแม้ของบรรพชิตก็ในยะนั้นเหมือนกันมัดจุย่อมพานราผู้มีใจคล่องในการมคุณอันถึงพร้อมแล้วหรืออันยังไม่ถึงพร้อมแล้วซึ่งกําลังเลือกเก็บดอกไม้กล่าวคือกามคุณหอยู่อย่างนี้ด้วยประการชนนี้ไป สองบทว่าสุดตังคาหมังความบ้าชื่อว่าการหลับด้วยสามารถแห่งการหลับแห่งทัพพสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแห่งบ้านย่อมไม่มีแต่บ้านชื่อว่าเป็นอันหลับแล้วก็เพราะเปรียบเทียบความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังว่าหลับแล้วมัจจุพานระไปดุดห้วงน้าใหญ่อันกว้างและลึกสองสมโยธ พัดผ่าชาวบ้านที่หลับแล้วอย่างนั้นไปอยู่เะนั้นคือว่าห่วงน้าใหญ่นั้นยังชาวบ้านนั้นทั้งหมดไม่ใหสัตว์ไรในบรรดาสตรีบุรุษโคโกระบือและไก่เป็นต้นเหลือไว้ให้ถึงสมุดแล้วทำให้เป็นพักษาของปลาและเต่าชั้นใดมัดจุคือความตายภานระผู้ม่ใจคล่องแล้วในอารมณ์ต่าง คือตัดอินทรีย์คือชีวิตของนารานั้นให้จมลงในสมุทรคืออบายทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่อง พระเจ้าวิถุทภะจบ